45, ส5ห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพลธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกบทนำ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 เมื่อมาอยู่วัดเข้าชาวบ้านชาวเมืองมีศรัทธามากขึ้นเขาก็มาบำรุงด้วยอัติเรกลาบต่างๆจนมากมายด้วยกำลังศรัทธาของเขาดังที่ปรากฏอยู่นี้เพราะฉะนั้นในบัดนี้มักจะลืมเลือนไปถึงความหมายเดิมของการบวชลืมเลือนนิสัย ส, สี่ของการบวชชักให้ประมาทลืมความเป็นนักบวช คือความเป็นผู้ออกดังกล่าวของตนแล้วก็ประพฤติตนไม่สมควรก็กลายเป็นก่อบาปก่ออา k u s ขึ้นฉะนั้นจึงควรที่จะระลึกถึงความหมายของการบวชระลึกถึงนิ ส, สัยสีของการบวชที่มีความหมายเกี่ยวพันกันดังกล่าวมานั้นแล้วก็ไม่ประมาทตั้งใจบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยตามกําลังสามารถ ทำไมเขาจึงบำรุงด้วยอัติเรกลาบต่างๆมากมายก็เพราะเขามุ่งจะให้ผู้บวชเป็นสมณะที่ดีจะได้มีสัปปายะคือความสะดวกสบายในการที่จะเล่าเรียนปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงควรทำสติคือความระลึกสัมปชัญยะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเขายิ่งบำรุงเท่าไหร่ก็จําเป็นที่จะต้องยิ่งทำความดีให้มากขึ้นเท่านั้น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 เมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระราชกุมารก็ทรงมีความบริบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่ด้ทรงปาราบถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มีครอบนำสัตว์โลกทุกทั่วหน้าจึงทรงประสงค์จะพบโมฆะธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย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 ความเจ็บความตายพร้อมทั้งความเกิดผู้ที่บวชตามพระพุทธเจ้าในชั้งแรกก็มีความมุ่งมั่นเช่นนี้ดังเช่นพระสาวกในครั้งพุทธการรูปหนึง่งชื่อว่าพระรัตปาลาท่านเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็ได้สลระทรัพย์สมบัติออกบวชปฏิบัติจนเป็นพระอรหันทรูปหนึง่งวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินของแกล้งนั้นพระนามว่า พระเจ้าโกระพยาในถามท่านว่าท่านบวชทําไมเพราะคนโดนยมากนั้นบวชกันเพราะเหตุว่ามีความเสื่อมเพราะฉลาบ้างมีความเสื่อมเพราะความป่วยไข่บ้างมีความเสื่อมทรัพย์สมบัติบ้างมีความเสื่อมญาติบ้างแต่ว่าท่านนักธา ป, ปาระเป็นผู้ที่ยังไม่มีความเสื่อม ใ, ใดๆดังกล่าวนั้นไหนท่านจึงออกบวชท่านก็ตอบว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมุทธเทศไว้สี่ข้อคือ 1. ลูโลกอันชราย่อมนำเข้าไปไม่ยั่งยืน 2. ลูโลกไม่มีอะไรต้านทานจากความเจ็บป่วยไม่เป็นใหญ่ 3. ลมโลกไม่ใช่ของของตนเพราะทุกๆคนจำต้องละสิ่งทำปวงไปด้วยอำนาจของความตายและ 4. ลูโลกพร้อมอยู่ ไม่มีอินเป็นภาคของตัณหาคือความดิ้นรนพยายามอยากท่านได้ปารธรร ม, มุทเทศคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ประการนี้จึงได้ออกบวชแต่ว่าการบวชนั้นก็ไม่ได้มีผู้มุ่งผลอย่างสูงดังกล่าวนี้เสมอไปดังในมิลินทับปัญหาพระเจ้ามิลินได้ถามพระหน้าเกษมว่า ประโยชน์สูงสุดของการบวชคืออะไรพระนาคเสนท่านก็ตอบว่าประโยชน์สูงสุดของการบวชนั้นคือพระนิพพานคือความนับเพราะไม่ยึดมั่นอะไรอะไรทั้งหมดแต่คนก็ไม่ใช่บวชเพื่อประโยชน์นี้ทั้งหมดบางคนบวชเพราะหลีกหนีราชภัยบ้างหลีกหนีโจรภัยบ้างปฏิบัติตามพระราชประสงค์หรือตามประสงค์ของผู้มีอำานาจบ้าง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 แต่ว่าท่านคิดว่าพระสัมณาสักยบุตรเหล่านี้เป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดจะสามารถยังเราให้ศึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้บวชเพื่อศึกษาครั้นท่านได้ศึกษาแล้วท่านจึงได้เห็นประโยชน์ของการบวชเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าท่านบวชก็ด้วยมุ่งประโยชน์เช่นนั้นเหมือนกันพระนาเกษ็ท่านต่อพระเจ้ามิลินดังนี้ แม้ในบนัดนี้การบวดจะไม่ได้มุ่งทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าบวชด้วยมุ่งจะศึกษาพระพุทธศาสนาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดประณีตเท่าที่เมื่อเข้ามาบวชแล้วจริงจะปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นหม้มีความมุ่งจะบวชศึกษาและปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นความมุ่งที่ถูกต้องเหมือนกัน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 อย่างที่ห้าเรียกว่าบวชให้ได้แก่นของพรหมจรรย์คือว่าได้ปฏิบัติสื่อขึ้นไปจนได้วิบุติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกบางส่วนหรือสิ้นเชิญตามความสามารถของการปฏิบัติอย่างที่ห้านี้จึงจะชื่อว่าได้บรรลุกแก่นของการบวชหรือว่าบวชได้แก่นของพรหมจรรย์การบวชได้อะไรบ้างตามชังชันนี้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 และความเข้าใจควรจะสนใจและตั้งใจทำการบวทแม้ชั่วคราวให้เป็นกุศลอย่างสูงเท่าที่สามารถจะทำได้เรื่องพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาประกอบด้วยคำว่าพุทธซึ่งแปลว่าผู้รู้กับคำว่ า, าศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนรวมกันเข้าเป็น พุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของผู้รู้เมื่อพูดว่าพุทธศาสนาความเข้าใจก็ต้องเล็ดเข้าไปถึงลัทธิปฏิบัติและกณะนบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในลัทธิปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงคำสั่งสอนซึ่งเป็นเสียงหรือเป็นหนังสือหรือเป็นเพียงตำรบตาราเท่านั้น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 พุทธศาสนิก ท, ที่แปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานี้มิใช่หมายความแต่เพียงขรรค์หมายความถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวชและขรรค์ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่พุทธบริษัทคือหมู่ของผู้นับถือพระพุทธเจ้าดังที่เรียกว่าภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ในบัด น, นี้ภิกษุณีไม่มีแล้วก็มีภิกษุ ก, กับสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาหรือบุคคลที่เรียกว่าพุทธมาม ก, กะพุทธมามิกาก็รวมเรียกว่าพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกทั้งหมดคือในบัด น, นี้มีหนังสือซึ่งเป็นตำราพระพุทธศาสนาและมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิก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 ดังเช่นในประเทศไทยในบัดนี้คือว่าได้มีพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทซึ่งต่อกันเรื่อยมาจนมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้และเราทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทในปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปก็จะซืบต่อไปอีกหนังสือคือตำราพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวแล้วว่า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 คือหลังจากพุทธปริญพาแล้วได้400ปีเศษพิกษุซึ่งเป็นพระหูสูตรในประเทศลังกาได้ปรารบความทรงจำของบุคคลว่าเสื่อมทรามลงต่อไปก็คงไม่มีใครสามารถจะจำทรงพระพุทธวจนะไว้ได้ทั้งหมดจึงได้ประชุมกันทำสังคยาคือสอบส่วนร้อยกรองพระพุทธวจนะตามที่ต่างคนได้จากันไว้ได้ รับรองต้องกันแล้วก็เขียนลงเป็นตัวหนังสือตําราที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่เล่าถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงคําสั่งสอนไว้อย่างไรเรียกว่าเป็นปกักกอนคือเป็นหนังสือชั้นบาลีเป็นหลักฐานชั้นที่หนึ่งและต่อมาก็มีอาจารย์ได้แต่งคําอธิบายบาลีนั้นคาอธิบายบาลีของพระอาจารย์นั้นเรียกว่า อัถกถาแปลว่ากล่าวเนื้อความเป็นตำราชั้นที่สองต่อมาก็มีอาจารย์แต่งอธิบายอัตถกถานั้นอีกเรียกว่าดีกาเป็นตำราชั้นที่สามต่อมาก็มีพระอาจารย์แต่งอธิบายดีกาออกไปอีกเรียกว่าอนุดีกาเป็นตาราชั้นที่สี่และก็ยังมีพระอาจารย์แต่งอธิบายเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องสำคัญบ้าง เป็นเรื่องย่อยๆบ้างอีกมากมายก็เรียกว่าเป็นปรกกอนพิเศษคือเป็นหนังสือพิเศษต่างๆแต่ว่าตำราที่เป็นหลักก็คือบาลีอัตกถาดีกาอดุดีก า, ด, กาดังกล่าวมานั้นหนังสือเหล่านี้ได้มีในประเทศลังกาและตามประวัติก็เล่าว่าเดิมก็เขียนเป็นภาษาลังกา หรือภาษาสีหนอยู่เป็นอันมากและต่อมาก็ได้มีพระเถระเช่นพระพุทธโฆษาจารย์มาแปลเป็นภาษาบาลีที่ในบท น, นี้นับถือว่าเป็นภาษาพระพุทธศาสนาจนถึงในบท น, นี้หนังสือตำราเหล่านี้ก็ได้แปลเป็นภาษาบาลีในลังกาทั้งหมดในประเทศไทยเราก็ได้ตำราเหล่านี้มาเช่นในบท น, นี้ ที่เป็นชั้นบาลีก็ได้มาบริบูรณ์ชั้นอัตถกถาก็ได้มาบริบูรณ์ดีกาอนุดีกาก็มีโดยมากแต่ที่พิมพ์แล้วด้วยอักษรไทยสำหรับที่เป็นบาลีเรียกว่ารัไตรปิฎกพิมพ์ทั้งหมดพิมพ์เมื่อรัชกาลที่ห้าครั้งหนึ่งพิมพ์เมื่อรัชกาลที่เจคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์ในงานถวายพระเพลิง พระบรมศพพระจาการที่หเป็นครั้งที่สองและในเวลา ต, ต่อมาก็เพียงแต่พิมพ์ซ่อมสำหรับที่เป็นชั้นมาลีอันเรียกว่าพระไตรปิฎกนี้ทางคณะสงฆ์ได้แปลเป็นภาษาไทยและได้พิมพ์เสร็จแล้วเป็นจำนวนมากเล่นเป็นฉบับแปลของกรมการาศาสนาส่วนที่เป็นชั้นอัตฉริยได้พิมพ์ไว้ด้วยอักษรไทยเป็นส่วนมากชั้นดีกา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 ซึ่งมีประวัติดังที่แสดงไว้ในพระพุทธประวัติแล้วแต่ว่าท่านได้ค้นคว้าหาความรู้จนประสบความรู้ที่เป็นโลกุตตรรคือความรู้ที่เป็นส่วนเหนือโลกหมายความง่ายๆว่าความรู้ที่เป็นส่วนโลกิยะหรือเป็นส่วนโลกนั้นเมื่อประมวลเข้าแล้วก็เป็นความรู้ในด้านสร้างบ้านในด้านทารงรักษาบ้านในด้านทาลายล้างบ้าน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 ความรู้ที่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและยังต้องเป็นธาตของตันหาดังกล่าวนี้จึงเรียกว่ายังเป็นโลกิยะยังไม่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกแต่ความรู้ที่จะเป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกได้นั้นจะต้องเป็นความรู้ที่ทําให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ดังกล่าวได้พระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์คนแรก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 เพราะว่าเป็นพิสุตตามพระวินัยด้วยวิธีอุปสมบทรับรองกันว่าเป็นอุปสัมบัติหรือเป็นพิสุขึ้นเมื่อพิสุหลายรูปมาประชุมกันกระทํากิจของสงก็เรียกว่าสงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นอยายสง์ทั้งสามนี้รวมเรียกว่าพระรัตนไตรซึ่งเป็นสารณะ คือที่พึ่งอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาความเป็นอริยสงฆ์นั้นเป็นจำเพาะตนส่วนมูแห่งบุคคลที่ดํารงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาก็คือพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกดังกล่าวมาขั้นต้นในพุทธบริษัทเหล่านี้ก็มีพิสุสงฆ์นี่แหละเป็นบุคคลสําคัญซึ่งเป็นผู้เผยชีวิต มาเพื่อปฏิบัติดำรงรักษาพระพุทธศาสนานำพระพุทธศาสนาซืบซืบต่อกันมาจนถึงในบัดนี้โปรดติดตาม45พรรษาของพระพุทธเจ้าในตอนต่อไป